การสอนนี่นะทั้งหลายอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากที่เรานำมาจากคมประพฤติปฏิบัติของเรานี้โดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนิงเหตุก็ดำเนินตามหลักธรรมผลก็ปรากฏอย่างไรเราก็นำนั่นมาสอนหนึ่งนะไม่สอนแบบทุ่มกันตลจุ่มสีจุดภาพให้ผ่านเข้าใจได้ในหน้ารัญ3ไม่มีอะไรไมาเกีข้องเลย เพืนหต้อง เ, เียดเราเดินมาด้วยวิธีใดได้ไดรับความสะดวกไม่สะดวกเพราะเหตุใดเราต้องนาสิ่งนั้นมาคลี่คลายหัลบหรือแล้วนำสิ่งเหล่นั้ น, นมาสอนหนุมเพือ ว, วิธีการใดเรานาออกมาโดยอาศัยหลักทําเป็นเครเลยสติอยู่กับพิษ ความตั้งขึ case, ้นใีจเครเื่องไปไหนก็ติไมีอย่บตัวความตั้งอยู่แล้วอยู่ที่ไหนนันก็มีทำวามวัดก็เพื่อจะเสริมความดีนันตัวเองไม่ใช่เพื่ออะไรยึดต่เรื่องท่ มันจะทําความเปลี่ยนแปลงข้อ ว, วัตถุปฏิบัติใดๆจะไม่มีเลยใช่ไม่ได้เลยทุกองค์ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพื่อหาความรู้ความฉลาดให้พักทั้งนั้นว่าจะเพื่อหาความโง่ให้พักลิทธิบาไม่ขาดนี่ก็หาความรู้ความฉลาดให้พักหาความเขย่าไ่หลักเพียนให้พัก หรือภาบางสกุลก็เหมือนกันหาความรู้ขวามฉลาดให้ภาพเพื่อจะปราบทิฏฐิมณนะปราบความเยอะอยู่อของตัวเองปราบความสำคัญตัวนว่านั่นเป็นนี้ออกให้หมดก็จ เ, เหมือนภาพทีอยูนะ่เนี่ยฉนคนเดียวก็เพื่อปราบความโนเละในอาหาร ฟเฝอรหรือความราู้ยายานอาหารมันเป็นเรื่องของกันหาเนี่ฉันในบาตรก็หาความรู้ความฉลาดให้พหิจารณาอาหารในบาตรให้รวมกันลงมาที่นั่นมีอะไรบ้างออมารวมอยู่ในถ้วยในใจานเป็นอย่างหนึ่งรวมเข้าปัญญาเป็นอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่จะให้สะดุดใจจึงต้องหาจุดสําคัญให้พระคิดให้พระได้หาอุบายวิธีสอนตนจะได้ความ ร, รู้ความฉลาดจากอาหาร รวมกันจากพิจิตเวลานัน้นจากการพิจ่จะมา น, ะนั่นยังไม่ทราบความมุ่งหมายของพระเจ้าเหรือแต่ละข้อละข้อที่ชมมันจะเอาไวา้เพื่อผู้มีความคข้าต่อทำทั้งสามข้อนี้ในข้อใดขอนจะได้ยึดตัวไปบพุทธปฏิบัติเพืพ่อกำจัดความงงง่องมันเป็นเรื่องของทิเด็กของตัวเองให้ออกได้เดกอเพราะผู้ดงข้อนั้นนั้น น, นี่เป็นข้อนที่เป็นแง่ปิดถ้าว่าท่านมาฉันได้หงหัาหาผมก็คุแล้วเ่ย่างาที่มาฉันนิ่งหันข้อไม่จาเป็นความขอผมจเอามยแค่าวกว่าทุกข์ฉหลนมฉันเรนมากนี่ความเห็นจะไปนะแต่คนได้ขา น, านาดเดียวกันเราต้องพิจารณาดูเช่นยางผลน้าไม้เนี่ย าากยกตัวอย่างเช่นทุเรียนนะ่ะเรากินเม็ดกินเนื้อของมันอยู่ในติดกับเม็ดนั่นถ่ะเราไม่ได้กินเปลือกมันแต่ทําไมเราจึงต้องเอาทุเรียนมาทั้งเปลือกนะพี่ยแล้วไปบำรุงต้นมันถ่พะพัฒนต้นไม่ใช่ลูกมันพี่นาแล้วการบำรุงต้นไม้ต้นนั้นนั้นนั้นคือเพื่อผลประโยชน์ มีความมุ่งหมายอย่างไรแล้วต้องคิดมันมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรกับผลของมันี่เรื่องคิดนอกกันในเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาโดยละเอียดทีลนทุกสิ่ทุกอย่างนะตรงกับคำว่าชัวคาธรรมที่กล่าไม่ชอบแล้วคือพิจารณาชอบแล้วถึงไม่กล่าวไม่ชอบเราจึงควรนำํำทำเหล่านี้เป็ น, เ ป, นเป็นเครื่อง กำจัดตัดต่อที่เด็กข้างหลังมีความเกลียดงเป็นต้นของเราให้หมดไปเลยก่อนคิดรอบข้างนอกท้างในสุดนักปฏิบัติอย่าเห็นหน้าเดียวความคิดอย่างท่านมาพูดหลังนี้นั้นเป็นความเห็นหน้าเยียวที่เป็นเหตุให้ทิศในการต่อต้อาจจะออกนอกููนอกทางเป็นความรู้เห็นกรธไปมันมีแยกแยะสติปัญญา Office, เพื่อพ่คารายดูเหตุดูผลความดีความช่วหนักหน่งทั้งภายในและนอกเข้าประสาตประสางกันให้ได้ประโยชน์ขึ้นมาเพราะปัญญาการคิที่จะนาเรื่องปัญญาเป็นสิ่งสำคัญกับสติสองอย่างนี้เป็นธรรมจำเป็นมาก จะพิจารณาอะไรให้มีความจดจ่อให้มีความรู้สึกเกี่ยกับหน้าที่การงานของตนที่กําลังทำนั้นนั้นสตเป็นของสําคัญการที่จะหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงือย้ําย้ายอะไรในวิธีการแห่งความเปลี่ยนนั้นเป็นอุบายวิธีของแต่ละงานหลายๆที่จะนําไปปฏิบัตรริต่ตนเองจอมแบบเดียวก็ไม่นานเพราะที่เหลืมีคนามายามากมากแต่ความจริงเยอะย ที่นีมันจะไม่อยู่บนหัวใจคนที่เหลือนั่นเป็นของต่างจริงแต่เวลามันอยู่มันอยู่ที่ทุกส่วนอยู่บนหัวใจคนให้ทราบว่ามันฉลาดแหลมคมขนาดไหนจึงไม่อยู่บนหัวใจคนได้านาดดูถึงความแล้มคมมันมีในที่เหลือเราชื่อที่เหลือไม่เชื่อมาจั้งแต่จมเลยไม่เห็นว่าที่เหลือเป็นใครต่อนเราจึงว่ามีทางที่จะแก้ที่เหลือได้ด้วยการโมกมาน้าเข้าใส่ การต่อสู้กันยิ่งนด้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งว่าเป็นภัยแล้วเราจะต้องสร้างข้อรเกียจสงสัยหรือต่อสู้กับสิ่ง น, นั้นถ้ายังไม่เห็นภัยยิ่งว่าเห็นชุนอยู่ไปแล้วนั่ง น, น, นี่งจะทําให้เราจตจมได้ยังไงนี่มืออยู่บนหัวใจเราไม่เป็นอย่างนั้นมันตามจริงกับมันอยู่ที่ทุงสูงที่อืนไม่อยู่อยู่บนหัวใจคนความโลกก็เป็นตัวของตัวความปวดก็เป็นตัวงตัวเหี้ย ความหลงความขี้เหยียดขี่ค้านความมั่น่าแรงและถือว่าเป็นประโยชน์สหรับคัวเทียท่าที่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าเรายังไม่เห็นโทษของมันมันก็นแก้แก้สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าเราเห็นโทษของมันและพยายามแก้มันออกมาวิธีใดที่จะเป็นเรื่องราวหรือทรรนองเดียวกันนี้เราหาวิธีไปแก้กจนได้คือว่าเห็นทษเ่อไ การทำพวสปฏิบัติต่างคนต่างทําหน้าที่อะไแต่ะไรทํำพวกนึ่จะทําอะไรพวนึงทําะไรแล้วสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยเพื่อให้ความรู้ความํานานในพวสปฏิบัตินั้นนั้นทั่วถึงรู้แต่อย่างนี้ไม่รู้อย่างนั้นก็ไม่ได้มีสับเสียนเปลี่ยนกันได้เรืยคือความรู้ในพวะปฏิบัตินี้การจําในพวสปฏิบัตินั้นนมันจะได้ทำงาน นอกจากผู้จำเป็นที่จะทำอย่างนั้นไม่ได้ขาไม่ดีเท้าไม่ดีพระเหล่านี้พูดอะไรอะไรมันเยี่ยมทังหมดนถ้าเรื่องพูดถึงเรื่องพระจริงๆพระของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมทุกอย่าง ความเพียนก็เยี่ยมความอดความคนก็เยี่ยมความสงาา้าอาวาสเยก็เยี่ยมความประกอบความภาคความเพียนทุกด้านความอดความทนทุกด้านเยี่ยมทั้งนั้นมันเป็นลูกศิษฐถาพจน์มาจากองค์ศักรพรรดิจริงๆเป็นหน่อพระสัตรีมีแต่ชื่อของพระนั้นมันเหลวมันเรวทั้งนั้นเน่ย เลี้ยงอาลามไปมบ้านเต็มเมืองคนเร้วก็เร็วเท่านั้นไม่ใช่นอกกษัตริย์นอกกษัตริย์คืออะไรคือดําเนินตามหลักทำหลักวินัยที่พระพุทธเจากก้าทรงสรัสสอนไว้จะเกิดสุดท้ายตาแดนก็าตามก็เหมือนกับลูกถุดท้องของโลกนั่นเองถ้าปฏิบัติให้ผิดจากหลักทำหลักวินัยเอาแต่อ้าหลวงมาคุมไหม ว่าตัวเป็นพระมีกิเลสแฝงทิฏิมนักแฝงหยิ่งในตัวว่าตัวเป็นพระเป็นพระอยู่เรื่อยนั่นแหละความเร็วสามของพระเรามันพาเราจำเอาไว้มีแต่พระของเดถาคนพระครูบาเทวทัพหรือว่าดทธิ์เทวทันเป็นคูบาเทวทัพกำลังแฝงอป็นคูบาเทัพพไม่ค่อยสังเกตมันมันสามายตั้งหมด การดูการขบการชั้นการหลักการนอนการทักผ่อนเครื่องช่านไม่สอนอะไรมันจะสะดวกสบายทั้งหมดไม่รุ่งวายไม่ฟุ้งเฟ้อเหอือดเหแต่จใดการใดที่จะเป็นผลเป็นเครื่องดื่แต่ตัวนแหนส่วนรวมแล้วมีความขยันหมั่นเพียรมีความอบความทนตื่นดึกลุกเช้ามีกฎมีกติกามีข้อบงังคับตนเองไม่เฉียบขาดถึงงานเฉียบขาเฉียบขาเต็มที่ ดูสิทธถาโกดเป็นนั่นแหละท่านพูดชงนักชงผลถึงอรหัตอรหันท่านคำนินอย่างนั้นคือเูทรงตะกี้หมูตกี้หมาของพวกเรานี่ก็ะทรงแบบนี้แบบที่เกียจมักง่ายมกง่ายอ่อนแออะไรเจะทําอกตัวลําบากลําบนกลัวแต่ถจะเป็นกระเทือนกี่เหล็กมันก็มีแต่ความทุกข์ที่เพราะกีเหล็กมันมีกําลัง อบรมสังสมสง่สงเสริมมาทุกวันทุกวันที่เห็นอบรมเราแล้วก็ส่งเสริมมาให้มีกําลังก็ตัดเจ้ของไปเรื่อยๆตัดเป็นผลไม่ไหวต้องมาอาเขมันถ้ามีความสามารถอาการตามหลักที่พระเจ้าทรงสอนไว้คู่นั้นมีชนไชนนะทไตรลเป็นกากับทุกอย่างคาว่าศีลคนมีความตั้งจิตทังใจเพื่อความบริสุทธในธรรมแล้วทําไมจะไม่บริสุทธิ์สมาธิ คือความสงบเงย็นใจทํำไมก็ไม่มีเพราะเราสร้างอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกวันเพื่อความเปลี่ยนของหลักปัญญาความไปเดือดฉราดเราติดทุกวันเราค้นทุกวั น, พ, นพิจารณาทุกแง่ทุกมุมเราไม่ได้ทำไรทนานาเพื่อถูกขายแผงรายมีหน้าที่พิเศษทำงานของพาะแบบพระนี้โดยถ่ายเดียวทําไมปัญญาจันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนชอบคิดชอบอ่านใจต่อ แล้เมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นภายในใจแล้วกิเลสมันจะหนายนิ่งกว่าภูเขาทั้งนู่ก็าดถลไม่ไหวแต่กระจายทั้งหมดเลยนั่นแหละที่ทรงมรรคผลท่านทรงด้วยวิถี้ด้วยเหตุนี้มันแใช้สำลักมีเปิดนะศาสนามไม่ใช่สอนให้คนนั่งมือเปิดพระพุทธเจ้าและตามุทั้งหลายด้วยนี้นแต่แทบพ้นแทบตายนี่จึงได้มาเป็นสนารณะของพวกเราเราดําเนินตามพระพุทธเจ้าในหลักที่ว่าพุทธทางธรรมท่านักระามีนีส จะต้องเดินตามน้องหลอดคำว่กคํามทนถ้าเป็นของตายก็เรียกตายมาก่อนพวกเราแล้วความภาพเพีย้ยนรบลาปิเดชท่าเป็นสิ่งที่ตายที่เรียกตายแล้วแพ้กิเลสไปแล้วนี่ไม่แพ้เ <c oughs> อาจริงเอาจากไม่แพ้นี่แต่คุณแพ้จนตายที่หายประจับใจถึงกันเราจะแบ่งไหนมาช้เราลเลือกเอาความคิดความอ่านมีไว้ทําไมคิดพวบเครื่องตัวเองคิดมันได้วันยังคำ มันเดินไปไหนมันก็มีแต่อาตธรรมเดินไปบินจับาดมันหนึ่งวันหนึ่งอ้ยมาชนะจากพิจนาณนะมันมาผ่านกับสัตว์กับพรามพูดไปแล้วกับสัตว์มันมีเรื่องพิจัยพูดมีเรื่องพิจิณาณข้าง น, นั้นเต็มไปหมดจิงเป็นธรรมเราะอะไรเป็นธรรมหมดถ้าจิตเป็นไฟอะไรก็เป็นไฟไปหมดเนี่ยอย่างนั้นนะมันอยู่กับจิต สอนจิตอบรมจิตให้ดีจิตไม่ดีจิตไมห่หาความสุขไม่ได้ก็เพราะสิ่งทให้ความทุกข์ได้แก่กิเลสมันครอบปูนภายในจิตใจใจจึงหาความสุขความสบายไม่ได้ถ้าสิ่งกอ่อควญนี้ออกได้ออกไปโดยลำดับดับทั้งความเพียรแล้วได้จากมีความสงบเย็นและเห็นเป็นของสําเกิดขึ้นมาในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครไ ในโลกนี้มีอะไรก็รมีใจตรงเดียวจุดศักดิ์พะพุทธศาสนาสอนถูกจุดอย่างยิ่งนะมันจะพากันเห็นตัวเองเป็นสิ่งสาคัญยิ่งกว่าคนใด้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์ก็เห็นตัวเองเป็นผู้ติดอยู่ในกองทุกข์เวลานี้ถึง่องความลําบากต้องเกิดเจิตใจจะไปเห็นใครยิ่งกว่าตัว เราเห็นว่าเรานี่แหละเป็นตัวประกันตัวหนึ่งตัวรองพื้นของวัตถุของภพของทุกข์ของความลำบากทั้งหมดเรื่องจากพิเรฒมันน้อยนะักสนใจหรือเปล่านี้เราตั้งใจมาตั้งห้ามผ่า น, นกันกับพิเรฒพาละมันตรงพิเรฒจะมีอุบายวิธีใดบ้างนะพิเรฒถึงจะกลัวแล้อง็คิดเวลาทุกข์ต้องยอมรับว่าทุก ทุกเปมีเหตุอีผลไม่เด็นเดตกา ร, ร์ก็ประกอบความเพียะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นจากความทุกข์รงกายเกิดขึ้นจากการประกอบความเพียรอันนึ่คืออะไรนั่นคือความดีของเราทัศนก็มีขึ้นปัญญาก็ ม, มีขึ้นที่เหลือเท่านิดรองไปประโยชน์ของความเพียงที่ดีรับความทกปรเรียนต่อล่างกายของเรานเป็นทุกนี้มีบ้างเป็นธรรมดาแต่นอนอยี่เตะมันยังมีนนนานๆโที่มันไม่เป็นทุกได้ ให้เฉยนั่นมันก็เป็นทุกข์ได้เพรเรื่องของขันมันจะเอาความสุขความสบายแล้วมันให้เรานอกจากความทุกข์ความลำบากอันที่เดียวพาร์นวมื่อพาราเอาเลยมันตัดขั้นถากขันหน้าเป็นกองทุกข์อันหนักเนื้อหนิบันบอกอันนี้ไม่ทราบหรือว่ามันหนักภูเขาทั้งโลกมันจะหนักยิ่งกว่ากองทุกข์ภายในขันเหนือท่านอินทร์ลายคว่าไม่หนักกว่าก็แล้วไม่ได้ไปแบกเขาหนี่ ภูเขาทั้งลูกเขาไปอยู่เรื่องของเขาต่างหากไม่ได้มาทับถมโจมตีเราเหมือนธาตุฐานที่มีอยู่กัตัวเราซึ่งทับกันตลอดเวลามีบังคับนะครับแต่รับความทุกข์ความลำบาตลอดเวลาอันนี้จึงเรียกว่านหนักมันหนักที่ตรงนี้ท่านจึงไดยกขึ้นหมดพระราาอยปัจจักขันตถาท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาสีห้าลูกนั้นหนักนะเป็นไปได้หอพระราชาอยู่ปัจจกขัตถาขันต้าห้ากองโูกคือส่วนั่งกลางเทนาสัญญาท่านขันญาณนี้ เรื่องเปลี่ยนแปจิตใ จ, ใใจใเรียกว่าเป็นฐาระอันหนักนะให้พิจารณาแยกแยกดูเห็นด้วยสิปัญญาของเราดูนั้นมันเป็นอะไรเราถึงได้กังวลลังหนารากลังหนาลักไปจนดึงเนื้อดืงตัวเป็นกาบความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นให้แก่เพื่อนฝูงเพื่อนรู้ด้วยกันเพราะความเห็นแก่ตัวทําความเดือดร้อนทำความกระทบกระเทือนแก่ผู้อื่นก็่อความเห็นแก่ตัวมาก เกิดเลยความเกียบไม่ถูกกับผลของอัของถัรงเ่คนโคคนโกงคนรี่คนไท่เลยดูคนจบคนักคนขโมยคนถึงกี่เขาั่นความเห็นแจกตัวมากมายจริงเห็นตัวมนุษย์สมัยเป็นเหมือนกับตับตัวหนึ่งไปเกลี้ยและประกอบความที่ความลำบกขอเขานี่จะเป็นวิเลตทั้งนั้นเพราะอานาจของขังนี่แหละ มันใช่อะไรนะพี่น้าเห็นตามเป็นกีมขันเขาขันเราหัวใจเขาหัวใจเราแล้วมันก็พอเฉลี่ยกันได้เมื่อไหเขาเป็นเขาเราเป็นเราเขาขันนัเราฉันนั่มนุษยเราไม่หยุแล้วได้ถึงสะดวกสบามีความสงบสุดเพราะความเกรงใจความเห็นใจกันพิาผ่าหลัคันน่ะมันจะได้ความขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็บรบเดียนกันไม่ลง พี่นาก็ถึงความจิงเพราะมันเท่ากันเหมือนกันมันเข้าห้องเราตลอดทั้งสายมันเหมือนกันโดยเยือกเย็นกันได้ลงคอนมันอ่อนไปหมดเลยใจอย่างนราควรทำคุ้มสมเามัเราเราเป็นเขายิ่งแต่ดูแลรักกันหนามันต่างกันอยู่บ้างความรู้สึกมันมันแบบตัดแต่พ้นมันควรทุกขเปินทั้งนั้นแหละทำไดที่เป็นความสุขมันก็ รู้ด้วยการมันต้องไปหารึล้ำในเดือนที่ไหนเอียนเสียนเงินเสียนทองเสวลวเนมยนานีเป็นหลักธรรมชาติธรรมชาติพยาทั้งศาตรทั้คนรู้ได้โดยการพระาสอนทำสอนอยู่ในหลักธรรมชาตินีู้นนทำนู้ิจิตรเองนี่แล้วทำไมจะมารูเรื่องของโลกของตรารโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งความจริงที่มันเป็นความจริงเสมอกันสมอกันเอง คุณสมบัตาานีองดาวุอย่างแต่คุณบสมบัติพระเจ้ายังไี่พิเศษขนาดนี้เดี๋ยดูนะกล้องทุกตัวันเกิดมาจป็นทัานตานี้น ม, นนมนนนนันเป็นยังไงที่เหงื่อไหนั้งนาดีดขอสุภาพดครับ ก็คิงอย่างเนี้ยอาหารบาข้าวหอมหวานจนติดจนรับทานขนาดไหนก็ตามรับทาได้วยผาลัางเข้าไปนั่นกาย ข, ข, ของคุก็เป็นนไปหมดนไปตักต่อหน้าต่งตาเนื่องงประุเป็นราะนเรป็นเป็ตัวคุณก็เราะส่วนร่างกายทั้งหมดนีเป็ของประดุจพอคัดเ ข, ข้าเข้าไปเท่านั้นแนแต่น้หลายไม่ไม่นาด ทานมาที่ออกน้ำตาลมาอีกนีน่น้ำลายกัน้ลายตัวเองแต่ทาไมจะน้ำทาลได้เพราะเพราะว่าน้ำลายมังเป็นของประดิษอยู่แล้วแต่มันเป็จิตจำเป็นเนม้่อเข้าไปแล้วความอร่อยก็อร่อยแต่น้ำลายแต่ออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นความนิสย่างขึ้นมาหลักอย่างมันอยู่กับตัวของเราไม่พิจารณาพม ของขอปฏิกูลภายนตัวมันนี้ไม่เห็นมันอยู่กับตัวตัวนี้มันะจะไปเห็นข้างนอกได้ยังไงความจริงมันมีอยู่ทําไมจะคิดจะน่าให้รู้ตามความิงไม่ได้ผ่านไปแล้วมันอยู่ได้นานเมื่อไหร่แรงคืนเดยอเท่านั้นมันปฏิกูลมากขนาดไหนเราก็พิจารณาเอาของเราไว้ข้างนอกไม่เป็นไรนะเส้นเราใส่วยใส่การไว้ข้างนอกอะไรอย่ ถงวันพรุ่งนี้เช้ามันยังดีๆไม่เป็นไรแต่เอาเข้าไปในส่วนร่างกายถึงวันพรุ่งนีเช้าออกมันเออออกมาดูดูดเองกันขอบทข้างในมันเป็นบ่อในการพิกลเป็นภาชนะคือมันเป็นของมันจะจุ่มหมดทั้งตัวหนึ่งแล้วอะไรๆตามเมื่อเข้าไปนี่แ้วน่าจะต้องมาเป็นเดียวกับส่วนใหญ่คือร่างกายทั้งเราหนึ่งเพิจารณาอย่นนานี้พเห็นไม่ชัดเนี่ยเป็นที่ไหนมันจะเห็นไม่ช้าแบบนี้เองเพรความกินเป็นอย่างนั้น การที่เราเห็นงนัน้นถ้าจิตเรามันฝืนความจริงเมื่อฝืนความจริงแล้วความสุขมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์เรื่อยๆวุ่นวายเหมออันนี้เห็นได้ชัดประการหนึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติความเกิดความตายนิดหนึ่งก็เอาพิจารณาเรืนน่องความตายถึงการต้องจิเส้นตาได้เลยทุกูกุคคลนาำทั้งสัตว์ทั้งหมู่คน ยิ่งย้ายยวกันบ้างเป็นระยะระยะช่วงนี้ชรงนั้นเท่านั้นเมื่อไปถึงช่วงไหนของใครแล้วมันก็เท่านั้นแ่ะความยานไม่มีต่อไปแล้วพอไปถึงแล้วนี่ถึงจุดตายตัวแล้วมันจะอาความยาวมาจากไหนมันก็เท่ากันวันนี้คนนี้ถึงจุดวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็ถึงจุดตรงนั้นพอไปถึงจุดนั้นแล้วมันยาวหายยาวไม่ได้เดี๋ยวความตายมันมีอะไรทีพถ้าครูผ่าเราต่ตามสมบัติมาตฐานมันก็ไม่มีอะไรสาคัญเลย ให้มีร่างจะมาช่วยได้ผลสุดท้ายเราจิตมันก็ประวัติประวัติหาหลักหาเต็มหาที่พึ่งถ้าได้ที่พึ่ดีมันก็ไปได้ดีถ้ามันไม่ได้ ท, ที่พึ่งจมอีกเลยทำเพียงแสร้างความดีสร้างหลักใจจือสร้างทำให้เป็นหลักหลังเกิดเป็นที่ยึดหลักจับยิ่งให้เป็นที่แล้วอย่างพระราชาท่านท่านไม่มีอะไรสำเรื่องความตารความเป็นอยู่มีความเสุอภาคในทั้งความเป็นอยู่และ ค, า ค, า ค, าความตายเพราะท่านเป็นหลวงตัวใหญ่สมบูรณ์และผ่านจัด เป็นธรรมทั้งแท็นั่นผลแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นปฏิบัติธรรมก็เพื่อสร้างความแน่ใจให้ตนเองนั่นเองเมื่อถึงที่นี่การร้อดตนเองแล้วไม่ต้องมีใครบอกเลยหลวงพระพุทพเจ้าจะประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเขาตามจะไม่ทูลถามพระพุทเจ้าว่าข้าพระอจะปฏิบัติอยางนั้นเมื่อพระองค์ตายแล้วเวลานี้พระองค์เป็นพระหลักย่างนี้นไม่ทูลถามเลยเพราะความจริงเท่ากันกับพระพุทธเจ้า เมื่อถึงเข้าถึงความจริงเข้ากันแล้วจะมาถามกันจะเลยอะไรมาเพิ่มเติมเพราะเท่ า, า, าพราะสิ่เท่ากันของเท่ากันความมันึเท่ากันความรู้เท่ากันเนี่ยความจริงเท่ากันจะมาถามกันเพื่ออะไรไม่มีนั่นคือพระเจทธเจ้าพันกล่าวไว้ว่นานับถือเชืโยบปาไปอยู่นับตั้งแต่พระพุทธเ้าลงมาถึงเทวองค์สุดท้ายมเมื่อเราถึงความจริงแล้วเสมอกันเหมาะนะไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากัน ในบรรดาความมือสุดที่พระพุทธเ้ารกษาว่ามันนันนทั้ถึงแน่หมายเป็นธรรมยากธรมชาติผีถึง้งนีจ้จังของขาแตบงแตกมันตายได้ด้วกันยังไงเมือ่อถึงผีของใครเนาเป็นนอไม่ได้ตแตก หมื่นปีก็ตามอัก็ไปถึงขีดจนได้พอความล่วงไปล่วงไปนี่มันล่วงไปจนตัถึงขีดข้งมันการเนร่างกินเข้าไปกิ้ไปธรรมชาติมันกกินน้ำปันปในตัวความแมก่ไม่ดีหรอกัหมันร่างกาย ต, า ต, าตา่างต่างมันแก่ไม่คูวันแตเพื่อนเพื่นถึงเต็มที่แล้วมันก็เหมือนผลไมกกล้กระโดดตูมมันจะทนอยู่ได้เหมือนนี่เมื่อแก่จนทีน้ำกระมดดตูมผลไม้จะโดดตูมกับประสา ตายมันจะเอาอะไรเดือดเรียกคนตายกันเพื่อนไหนเรียกตายมันนั้นให้แบบแ ค, นนนคนชนัน้นต่ำคนชั้นสูงคนจนคนรวยหมดความหมายเหมือนกันเ ท, ท่ากันอันใดที่จะสร้างความหมายใหตัวเองใเป็นหลักเป็นเกมเป็นที่อบอุ่นภายในใจก็คือความดีง า, ามดีซ่าไม่มีใครที่จะจกลัดเป็นความจริงไม่มีใครที่จะรู้ มีเห็นสิ่งยีก่กของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่จะสัเลื่อนแงนดำมันพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เชื่อถือตายใจลยแล้วโดยทั้งบุตมไม่มีอะไรจะถึงสันอกจากนั้นเราไม่แน่ใจยพูดห้าคำโกงจะคำนสองคำยินเป็นนักโกงแล้วมิจะโกทั้งเผล ความแน่ใจจากโลกนี้เอาแน่แน่เยนใคมีความรู้สึกไงก็ต้องพูดกับการความรู้สึกในตัวนความรู้สึกนั้นมันเกลียรเ่อียวพิเลนมันเอาของจริงมาแต่ไหนนอไต่ปอมกลมาันป้อมไปนนะแต่เพราว่าของพรชารู้ทันะธรรมของพระองค์ท่านนี้ออกมาจากความรู้สึกทำเป็นเป็นความบริสุธิ์เป็นความจริงทั้งผ่าเหตุผ่นผลสอนว่าสอนูกต้องแม่ได้ เกี่ยัติกนะุมงไปเี่อความในครัวตายหรคือาคครัผูกวงครัวตายในครัวภาษานันไม่ได้ขึ้นอยู่ความกลัวไม่กลัอเรื่องความตายมันขึ้นอยู่กับความตายมันนี่เรตาเป็นรื่องของขของขเื่องขอความดีเรื่องของเรา ผู้กำลังมีความสับาริดขับรนยากามีความรู้สึกยุ่งยิงันอยู่เราทาได้เลยนะอยากทำติดขัดใจสงบผเรื่องตกด้าดเอาเราจะกำหนดยังไงถ้ามีกติกากหนดพิจาราอคิดเรื่องนั้นงนี้คิดแล้วัน่เกิดประโยนความคิดนี้มันก่อควาไม่สมดุลองใจความคิดคิดนั่งคิดนี้คิดไป น้นที่เกาะที่ทมนักไม่น่านะ้าสุดท่านนี่จบแล้ ว, นะมมมวไม่น่าเหมือนกับว่าเรื่องขาดพลัากายถึงมาไั้ถูกลงพัดตัดต่อแขไปเรื่ออันนี้ก็ถูกอารมณ์พัดมันตัดไปติดใจตามรูปตามเสียงตามกิ่นตามโลกเครื่องสัมผัส ท, ท, ทั้งอดีตนาค็ปุ้งไปเรื่อยๆชายหาดหลับเตลยไม่น่าวันหนึ่งวันหนึ่งนี้หลุหงอารมณ์ดอกหอ อ, อนะคนความเพียรมสบอรับไหนไดในองกลมอยู่แต่รมม เ, เรื่องการละิดความเพียงไม่อยู่กั บ, บกิจตองนี้ใช่ไหมนะวันนี้อาจารย์เกินันกันแล้วน